มีการเกิดเจ็เจ็บตายเรื่องธาตุสี่ขันธ์้า 5. เราถูกความทุกข์อย่างเอาแล้วเรามีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรก็ต้องถูกสิ่งเหล่านี้ครอบงำหรือว่าสามันลักษณะทำเฉยการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ต้องสิ้นนี้ จะพ่งปรากฏชาติจเจราได้ตอนนี้เป็นเรื่องจำเป็นเรียกว่าส่วนหนึ่งของชีวิตจากการศึกษาเรื่องวิชาชีพสำเร็จมาเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลผู้มีอาชีพอันชื่อว่าสูงสุดก็ว่าได้ ต้งเป็นีพึ่งพะอาศัยของสัตว์โลกโลที่เป็นมนุษย์แม่หลวงตานี่ก็อาศัยปูนป<ร>ั้อาศัยพยาบาล<ร>ที่รอดมาได้<ร>มีความรูท้ที่มีระบบถูกต้องตามสากนของร่างกายชีวิตของสัตว์โลก นอกจากนี้เราก็ต้องมีนี่แหละวิญญาณธาตุที่มันมีสิ่งที่เกิดขึ้นเ ก, นกับรูปกับนามนี้นอกจากวิชาการความรู้แล้ววิญญาณธาตุนี้ไม่ใช่ศึกษาเราเรียนจำเอาต้องเป็นการปฏิบัติต้องมีการพบเห็นตามความเป็นจริง มีสติเห็นเรียกว่าต้้งต้นชีวิตเหมือนพระอโงคขลาดกลัวตายมองที่ไนก็เห็นแต่ความแก่ความเก็บความตายจนปัญญาคิดถึงความแก่ความเก็บความตายก็เป็นทุกข์ เมื่อมีคนเจ็คนเห็ปคนตายที่พัดพาจากของลาของชอบใจเพราะการเกิดเจ็บเจ็บตายก็ เ, เป็นทุกข์กิ่งเป็นทุกข์มากไปพระพุทธเจ้ า, จากราบทูลพระเจ้ากลัวต า, ายจะทำอย่างไรพระเจ้ายังสอนหมกขหลาดว่าเธอจงมีสติเมื่อ มืจุลาดคือความตายจะตามไม่ทันโดยได้ต้องศึกษาวิชากรรมฐานนี่มีสติไปในกายตลอดเวลาจะได้เห็นตามความเป็นจริงดังที่เราได้ทำอยู่นี่นอกจากวิชาชีพต้องรู้จักวิญญาณธาตุมันมี สิงที่ต่อเนื่องด้วยกันมีตาก็มีลูกมีหูก็มีเสียงมีกลิ่นก็มีรสหมกายก็มีสัมผัสมีใจก็มีความคิดอารมณ์เป็นคู่ต่อกันไปแม้ในความเจ็บเป็นเรื่องของกายแต่ก็มีวิญญาณในทักษที่เขาเปรับลูกกลายเป็นทุกข์เป็นความโศรโศก ถ้าลู่ตามความเป็นจริงจะได้เห็นมันเป็นอาการตามธรรมชาติของลู่จะต้องไล่ไ<ป>เกี่ยวข้งองกับสียงเหล่านั้นถูกต้องเห็นอย่างนี้พบเห็นตามความเป็นจริงยังไม่ควรยึดมั่นถือมั่น ทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวใช่ตนในความเก็บไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นอาการของกายในความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นอาการของกายของจิตข อ, ของใจของรูปธรรมของนามธรรมเป็นอาการตามธรรมชาติสัจธว่าเจ็บสัจธว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจ ต่ว่าที่มีสติเนี่ยมันจะเฉลีย่ยต่ว่าที่เห็นเนี่ยมันจะเฉลีย่ยไม่ได้เข้าไปเป็นลงดูก็ได้มันสุกเห็นมันสุกมันทุกข์เห็นมันทุกข์จะให้เป็นทุกข์มันยากเพราะถ้าเห็นแล้ว เห็นสุขจะให้เป็นสุขเป็นไปได้ยากถ้าได้เห็นส่วนมากจะเป็นทันทีสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงเก็บเป็นเก็บตายเป็นตายถ้าเป็นแล้วก็จนมืดความหลงเป็นความหลงเป็นความมืด เกิดมืดไปมืดม ด, ดับด้วยความมืดเป็นภพเป็นชาติด้วยความมืดเจ็บครั้งที่หนึ่งก็คือเจ็บครั้งที่สองคือเจ็บหลงก็เป็นหลงตลอดชีวิตจึงไม่เห็นเนี่ยไม่มีสติเนี่ยมอเคลาดเห็นเช่นนี้ เดี๋ยวก็ถ้าเห็นมันเก็บจะให้เป็นผู้เก็บมันเป็นไปไม่ได้นี่คือของจริงถ้าเป็นเนี่ยเป็นมันเป็นการข่มขืนให้ความเก็บเป็นผู้เก็บให้ความทุกข์เป็นผู้เก็บผู้ทุกข์เนี่ยมันข่มขืนมันเป็นไปได้อยากเระโมคลอดเห็นทำเช่นนี้ ทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ตัวใช่ตนก็จึงว่าองที่เราได้สวดสาะยายพระสูตรมีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีมีธรรมดีเป็นทั้งหมดของความมุจย์ถึงกาน เมื่อมีความเกิดก็ไม่มีความเกิดเมื่อมีความเก่ดก็ไม่มีความเก่ดมีความตายไม่มีความตายทั้งหมดถ้าได้เห็นน่ะมีมิตรดีมีเจ้หายดีขุนเจ้าก็สอนอย่างนี้ผู้ใดเราเป็นผู้ใดมีเราเป็นเป็นมิตรเป็นเพื่อนใครว่าเอาอย่าง ต่างกันคนหนึ่งเห็นคนหนึ่งเป็นจริงที่เราเป็นคนอื่นเขาไม่เป็นเช่นเห็นมันหลงคนอื่นเขาไม่หลงสิ่งที่เราหลงคนอื่นเขาไม่หลงมีในโลกนี่สิ่งที่เราทุกคนอื่นเขาไม่ทุกสิ่งที่เราโกรธคนอื่นเขาไม่โกรธมีอยู่ในโลกนี่ ว่าที่มีมิตร ด, ดีมีสหายดีมีเพื่อนดีมีธรรมดีจึงพ้นจากทุกข์ต้องปวงได้เรียกว่าทางวิญญาณธาตุจิตวิญญาณอันนี้ปฏิเสธไม่ได้น อ, อกจากเรามีวิชาความรู้ นอกจากนั้นก็มีการศึกษาเรื่องระเบียบต่างๆมันก็เกิดขึ้นจากนี่มีสติก็ละความทั่วมีสติก็ทำความดีมีสติจิตก็บริสุทธิ์กายเป็นศินกลายเป็นสมาธิกายเป็นปัญญาโอภรู้ในกองสังขารกายสังขารจิตตสังขารจึงว่าปัญญาไม่ใช่รู้เรื่องนอกจากนี้รู้จากนี้ เป็นความรู้ทั่วไปไม่ใช่ความรู้ที่เป็นความรู้แบบพระพุทธเจ้าปัญญาที่คุณการุูหนาที่คุณโมริสุด ท, ที่คุณเมตตาที่คุณคือความรู้อย่างนี้ไม่ทำให้เราเป็นทุกข์เป็นโทษไม่ทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เป็นโทษ เรียกว่าปัญญาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อทุกสรรพจริงจะให้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นไปได้ยากจะให้ตัวเองหลงเป็นไปได้ยากจะให้ตัวเองโกรธเป็นไปได้ยากทำให้ตัวเองหลงก็เป็นบาป ทำไปตนเองเป็นทุกข์ก็เป็นบาปถือมันทุกข์ผู้ที่มีปัญญาที่คุณมีบริสุทธิ์ที่คุณเม่ตาที่คุณก็ณเชียวเครื่องกับชีวิตของทุกสปปรรพสิ่งถูกต้อง เราไม่เคยดูแลากายใจของเราปล่อยให้กายใจของเรามีปัญหาชีวิตผ่านมาเกือบสามสิปีปล่อยชีวิตทิ้งขึ้งคว่ควงขวงสุข ก, ก็เป็นสุขเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ไม่เคยช่วยมีความสุขความทุกข์พรความคิดมีความสุขความทุกข์พรรูปพรากาย แล้แต่เขาจะยื่นอะไรให้ก็ เ, เอาแต่พืตะเพือพอมาเห็นความทุกข์ที่มันเกิดกับกายกับใจตามความเป็นจริงแล้วก็ตื่นหรือโล้นสงสารตัวเองมากน้ำตาซึมเลยละเช่นความคิดเนี่ยปล่อยตัวองเป็นทุกข์กับความคิดเนี่ยโอ้นอนไม่หลับก็มี <c oughs> กินเข้าไปลงก็มีความคิดเฉยๆเนี่ยก็โ <c oughs> จนก็โดดขึ้นมาพอเห็นจริงๆมันก็โดดไข่มากจากตะตะโกนว่าตั้งแต่นี้ต่อไปอันความทุกข์จะความคิดจะไม่มีอีกแล้วมันเป็นการช่วยเหลือตัวเอง เมื่อมีกา ร, การ เ, ปเป็นการช่วยเหลือเองได้ฉันนี่ก็คิดถึงคนอื่นที่เป็นทุกข์ความคิดก็จะช่วยคนอื่นกระตือรือร้นช่วยคนอื่นไม่เคยดูแลตัวเองเรื่องจิตปัญญาเรียกปัญญาดาธาตุนี่ปอยทิ่งทท้งคว่ำควางเรื่องเดียว ความทุกข์คือว่กความทุกข์เรื่องเดียวกลายเป็นความทุกข์เรื่องเดียวกลายเป็นความสุขชิงเดียววัตถุอันเดียวพอใจไม่พอใจเกี่ยวข้อกับสิ่งต่างๆไม่มั่นใจเอาชีตไปห่อไปเขีนไปเกับความสุขความทุกข์เนี่แต่มันจะเกิดอะไรขึ้นมารับใช่มันตะพื่งจะพูไปเราจึงมาศึกษาเนี่ย มันจบได้ชีวิตเรื่องนี้มันจบได้ตั้งแต่หนุ่มแต่น้อยจะได้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ผุดผ่องต่อไปยาวนานตื่นแต่ดึกศึกแต่หนุ่มเนี่ยมาดูซิ่อหว่างที่เรามีสติมันเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละเราจะได้เห็น นี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสงขาร น, นี่คือวิญญาณรูปก็คือสิ่งที่สัมผัสได้จีบหายเพราะร้อนเพราะหนาวจิบหายเพราะอาการต่างๆหลายอย่างรูปนี่ที่เป็นรูปนาม อันหนึ่งเป็นนามรูปนามรูปเกิดจากอายตนละตาเห็นรูปก็เป็นรูปสัมผัสได้ไดเจ็บปวดได้หูสัมผัสกับเสียงก็เจ็บปวดได้เป็นสุขเป็นทุกข์ได้นามารูปจมูกสัมผัสกับกลิ่นก็เป็นสุขเป็นทุกข์ได้ลิ้นสัมผัสกับรถก็เป็นสุขเป็นทุกข์ได้แม่แต่จิต ใจกระทบปวารวมก็เป็นสุขเป็นทุกข์เก็บปวดได้ันเป็นนามาลูกนเกิดมันดับอันเกิดมันดับเพราะเหตุปัจจัยก็ให้เป็นสุขเป็นทุกข์บางทีก็ซึมซับไว้เจ็บข้อมูลไว้ในความโกรธเก็บไว้คาบเนินคาบปีเย สัญญาเรียกว่าวิญญาณธาตุเอาแต่พืชตะผือเจ็บความโกรธเจ็บความทุกข์เก็บความโลภเก็บความหลงจนเป็นจระิตนิสัยถ้าเจ็บความหลงก็เป็นโมหะจระิตออกหน้าออกตาถ้าเจ็บเอาความโกรธก็เป็นโทสะจระิตออกหน้าออกตา เราใเห็นอะไรก็พอใจไม่พอใจหูที่ยินเสียงอะไรก็พอใจไม่พอใจไม่ได้เห็นสัแต่ ว, ว่าเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้เห็นเป็นไ ป, ไปง่ายๆพอใจก็เป็นความพอใจไม่พอใจก็เป็นความไม่พอใจถ้า ไ, <ม>ได้เ <ใน S 2> ห็นมันก็ไม่เป็นลายไม่อยู่ตรงกลางนั่นก็บริสุทธิ์ มันมีอย่างนี้ละว่าในชีวิตของเรานี่มันมีรูปนามขันห้าตามความเป็นจริงถ้าเป็นรูปนามเฉยๆมันเกิดแก่เจ็บตายครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวตายต้องเก็บศพถ้านามโมรูปตาย<ห>เกิดดับเกิดดับไม่ได้เก็บศพ เราตายไปในความทุกข์เราเจ็บไปในความเจ็บเราเราตายไปในความเจ็บเราตายไปในความสุขความล่ําไรลำล่านอานนั่นเรียกว่านามรูปพระพุทธเจ้าดับไม่ queda, หเหลือแห่งนามรูปชนิดนี้ไม่เกิดอีกควมหลงไป็นขั้งสุดท้ายรวามทุกข์เป็นขั้งสุดท้ายความโกรธเป็นขั้งสุดท้า ย, าด ย, าดายได้ เพราะมันเห็นตามความเป็นจริงมันไม่งกไม่งามความหลงก็คืออันเดียวเห็นทีใดก็คือความหลงความทุกข์ก็คืออันเดียวเห็นทีใดก็คือความทุกข์ไม่มีพันใหม่ความโกรธเห็นทีใดก็คือความโกรธไม่มีพันใหม่ความพอใจคมไม่พอใจอันเดียวไม่ใช่คนละอย่าง ก็มันเห็นทีใดก็คืออันเดียวความโกรธเห็นความไม่โกรธพิคิดลองดูเห็นเห็นโกรธเห็นความไม่โกรธระหว่างความโกรธความไม่โกรธต่างกันอย่างไรเมือ่อเราได้สัมผัสแล้ ว, ลวก็รู้จักเลือกรู้จักเลือกรู้จัก เกี่ยวข้องดจะหลุดพน้นเป็นวิมุติหลุดพ้นในขณะที่มันหลงหลุดพ้นความหลงงานต่าง ก, กันกับความไม่หลุดหลงถ้าโกรธข้ามวันข้ามคืนเพราะรียบุคคลชั้นใดชั้นหนึ่งผู้มีภพเดียวผู้มีเจ็ดภพเจ็ดชาติ คือความชำนาญเป็นป ร, ริญญาในเรื่องความชำนาญในการสัมผัสอย่างพระนาคามีนี่อาจจะมีพบเดียวผ่านได้เลยเรียกว่าปริญญาชำนาญยาตะปริญญา กำหนดรู้โดยการรู้ตีหลักขณะปริญญากำหนดรู้โดยการแจ ก, กแจงปหาหนปริญญาเบื้อรู้โดยการล ะ, ละเห็นไหลก่ละได้ทันทีไม่ใช่กำหนดรู้นี่คือทุกไม่มีเป็นอนอื่นไม่สงสัยทําไลยแล้วห ล, ลุดพ้นแล้ว ถ้ามีความหลงก็นี่คือหลงไม่ใช่มิรนี่คือความง่วงไม่ใช่มิรนี่คือความทุกข์ไม่ใช่มิรเลือกได้มีสติแล้วก็รู้จักเลือกมีเกณฑ์ชีวัดถ้ามีสติพระโมคคัลลาจึงอาศัยหลักนี้กำกับ ก, การใช้ชีวิต ก็เลยอยู่เหนือการเกิดเจ็เจ็บตายไม่ใช่ตายเราจะเห็นความตา ย, ตายเพราะเก็บซากศพ น, นั้นเป็นส่วนหนึ่งเก็ บ, ก, บก็คือนอนเก็บเห็นคนเก็บก็คือนอนเก็บอันนั้นก็คือภาษาของคน แต่ถ้าเราเก็บดูซิเห็นเหมือนเก็บเห็นเมื่อได้เป็นผู้เก็บลองดูซิสัมผัสดูซิมันจะมันจะต่างกันนะจะขาบมันกัดปวด จะทดลงกับพวมปูดลงดูในวันเพนเดิน1ิบสองลอยกระทงไปเหยียบมันเข้ามันพันขาก็าให้มันกัดมันกัดจนเขี่ยวมันติดยกขึ้นเข็นอยู่ติดขาเห็นตะคาบเอาเอาท้ายพอใจเราไม่เห็นเราไปเหยียบขอโทษด้วยกัดก็กัด มันก็วางลงมันก็วิ่งหนีแล้วก็เอามาทำแผลมานอนที่ชะลาน้ำนอนสัมผัสความเก็บลองดูมันจะแค่ไหนเพียงไรทำแผลเอายาเหลืองเอายาหมองทาสะอาดแล้วก็นอน เห็นมันเก็บมันจะปวดเป็นบทดทดเคยไหมเคยถูกตะขาบกัดไปปวดมาเป็นปดดปุ๊บทบสุดยอดตอนนี้ถ้าเราไม่มีสติจะลงไม่ลงให้ก็โลงอยู่ไม่เป็น แล้วก็ถ้าเราจะล่องก็ลองธรรมชาติธรรมดาเป็นเช่นนั่นเองมันก็มีความเยือยาตามธรรมเป็นจริงแทนที่จะล่องเป็นผู้เก็ บ, เ, กบเห็นมันเจ็บลงดูซิเรามีอันนี้ยิ่งใหญ่กว่า ก็ธรรมชาติธรรมดาเวทนาที่มันเจ็บมันก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงบิน ญ, ญาณไม่เที่ยงจิตใจไม่เที่ยงสิ่ น, นั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราไม่เอาความเจ็บมาเป็นตัวเป็นตนเห็นมันเจ็บทําเล่นๆโดยสิ กลายเป็นเรื่องที่เห็นเป็นเรื่องที่สนุกนี่คือความเก็บนี่คือเวชนาไม่เที่ยงจริงๆอันความเก็บจะเอามาเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ไม่ควรยึดว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราบางทีก็โอ้ถ้าจะดูมันอย่นี่เออมันก็ไม่มีอะไรไม่ก็ไม่ใช่นี้หรอกก็หลับนี้จากมันซะ ก็เอาผ้าอาบน้ำผูกขาแจ่งเล่นไปเล่นมามันปวยเปรยอวยเปรขาเหมือนกับลูกน้อยที่มันกำลังนั้นกวยเล่นไปเล่นมาก็หลับได้นี่คือเห็นเหมันเจ็บสอมแับกับความเจ็ บ, บก้นเนือในตับปวดท้องจังหน เห็นมันปวดไม่ใช่ต่างไม่มันก็ต่างกับความตะขาบกัดนะตะขาบกัดนี้มันยังปวดเป็นบทเป็นบทตืบตืบตืบตืบบปวดไปแล้วก็อ่อนลงไปแล้ก็ตืบตืบตืบตืบตืเไปแลวมันตืบตืบตบขามันกระทุกกระทุกหนึ่งมันเป็นธรรมชาติ อันปวดตับเนี่ยมันไม่ใช่ตึบๆตึ้อๆมันมันตึงจุกหายใจไม่ได้<ถ>ก็หายใจไม่ได้ตับก็ปวดก็เนื้อก็ตันคอเหลีมลมหายใจแต่จะหายใจจริงๆมันหายใจไม่ได้ก็ค่อยเหลมสอดเข้าไปแล้วค่อยพอ่นออกมาถ้าตั้งใจพอ่อนออกมาตันตึกๆึก คยทำเล่อไปตับก็บปวดสุดยอดหายใจก็ไม่ได้ตับก็ปวดเห็นมันปวดเห็นมันหายใจไม่ได้มันก็ไม่ทุกข์นะเห็นเนี่ยยอดเยี่ยมเลยเลยมักเนี่ยคือเห็นเนี่ย จะเลอนมากเห็นแล้วไม่เป็นเนี่ยง่ายง่ายเห็นมันเก็บไม่เป็นผู้เก็บเห็นมันหายใจไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนผู้หายใจไม่ได้ไม่เอาชีวิตไปห้อยไปแขนไว้กับลมหายใจชีวิตมันเป็นอันหนึ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้จึงรลว่าเหนือเก็บเหนือตายคื่มันเห็นเช่นเนี้ย า ก, การที่เราฝึกให้มันรู้สึกตัวสึกตัวเนี่ยความรู้สึกตัวที่ไปในกายเนี่ยอะไรที่เกิดขึ้นกับกา ย, เ, ยเห็นหมดเห็นมาแล้วะอะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตใจเห็นหมดทุกอย่างไม่มีลบไมีลี่ตั้งแต่ที่แรกท่ามกลางและที่สุดอันเดียวเจ็บก็อันเดียวตั้งแต่ เกิดมาทุกคนเดียวผัวคนเดียวทั้งแต่เกิดมามันไม่มีอันใหม่มันจึงช้ำนี้ช้ำนานพระโมกข์ลองเรจรึงช้ำนาญเรื่องนี้มากมีสติทุกเมื่อมัจจุราชตามไม่ทันต่อนั่นไปพระโมกข์ราชก็ไม่ได้กลัวตายเลยเป็นผู้สอนกรรมฐานที่ยิ่งใหญ่มีสติไปในกายตลอดเวลา ถ้าจะคิดจะคิดเล่นๆพุทธานุสติคิดได้ตั้งใจคิดได้คิดถึงคุณพระเจ้าที่มีอยู่ในพระองค์คุณของพระเจ้ามีอะไรบ้างเมตตาที่คุณน้อมมาไว้ในเราอารุณาที่คุณน้อมมาไว้ในเราบริสุทธิ์ที่คุณน้ม อ, อกุณธรรมมาไว้ในเราปัญญาที่คุณน้มมาไว้ในเราบราัญญาคือออกจากทุกข์ ถ้าใช้ปัญญานื่นยอดเยี่ยมมากปัญญาออกจากทุกเน่ไม่จนเด็ดขาดเรียว่าเป็นปฏิบัติออกจากทุกเน่เรียกว่าคุณนันหนึง่งน้อกมาไว้ในเราพระธรรม คิดถึงคนของบัธรรมมือะไรบ้ามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาน้อมเราเข้าไปเอามาไว้ในเราคิดถึงคุณประสงค์ปฏิบัติมันหลงทำไมไม่หลงดีมันทุกข์ทำไมไม่ทุกข์มันโกรธทำไมไม่โกรธไม่ทำอะไรให้เป็นทุกข์เป็นโทษจอตัวเองและคนอื่นคิดเล่นๆ น, นี่ก็สบาย ปฏิบัติตรงต่อหน้าที่ตรงต่อการงานตรงต่อเวลาตรงต่อสิน ต, ต่อธรรมไม่ให้ผิดสินผิดธรรมความหลงเป็นสิ่งที่ประมาทนิดหน่อยก็ไม่เอาซีว่าความหลงไม่เปืเป่อเพื่อนเป็นตัวใหญ่ หลงตัวนี้เป็นใหญ่กำากัดกับความรู้สึกตัวพอดีพอดีเรื่องมันจะมีหลงมันก็จะบังคับให้หลงเป็นไปาต่เนี่ยปฏิบัติดีปฏิบัติรตรงอะไรที่มันไม่ถูกต้องทำให้ถูกต้องได้กับชีวิตของเรา สนุกเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเปลี่ยนความผิดเป็นความถูกเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความห ล, ลงเป็นความไม่หลงไปที่บท ต, ตรงอยู่เช่นนี้ปฏิบับทออกจากทุกข์จริงใดที่เป็นทุกข์นี่สนุกมีแต่ทุกข์ท่มันเกิดขึ้น มีแต่ทุกข์ทนต้องอยู่มีแต่ทุกข์ทนนั่นดับปังนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรในชีวิตของเราเนี่ยสนุกปฏิบัติออกจากทุกข์กระตือรือล่นได้เห็นทุกข์เห็นอันประเสริฐเป็นการเห็นอันประเสริฐปฏิบัติสมควรปฏิบัติสม่ำเสมอเป็นสถาปันสถาบั น, ส, บนสม่ำเสมอสมควร เป็นสถาบันไม่ใช่เป็นขั้งเป็นคราวเป็นสถาบันเป็นชีวิต ท, ทั้งชีวิตเลยเรว่าปฏิบัติสมควรเป็นสถาบันเป็นไม่รู้กจกเลือกอะไรสมมติบัญญัติเอาสมมติว่าใช่กัน คิดถึงความตายสุดท้ายที่จะมีแก่ตัวเองน อ, อกจากคิดถึงพระพุทธเจ้าประทังพระสงค์คิดถึงศีลถึงฐานของตอนเองอะไรที่เราได้ทำที่เป็นศีลของเราบริสุทธิ์ไหมเปิเพื่อนไหมเศร้าหมองไหมเราก็ไม่ได้คิดชั่วพูดชั่วทําชั่วรวมชั่วเราไม่เคยคิด ความชั่วเราไม่เคยพูดความชั่วเราไม่เคยทำมันก็ภูมิใจคิดถึงศีลของตนคิดถึงทานของตนชละอารมณ์เน่าเป็นข้าศึกออกจากิ่ใจบางครั้งเราก็ญาติพีเไปตรร่ีลาชักพี่ช่วยชาติบ้านเบืองช่วยผู้ช่วยคน สร้างถน Cold, aso, olics, ipping, นหนทางสร้างวัดสร้างว่าสร้างอะไรต่างๆเช่นเวลานี้ภาคใต้น้าท่วมใหญ่มีคนตายบางทีเหลือแต่ลูกพ่อแม่ตายหมดเจ้าพ่อชายรับบุตร รับลูกรับเด็กน้อยสองคนเป็นผู้ปิดธรรมเพราะแม่ตายตอนนี่เรื่องเป็นบางข้างบางข่าวคณะสงเราก็บริจาคไปช่วยรวบรวมกันไปช่วยเรียกว่าเป็นข้างบางข่าวคิดถึงฐานของตอนที่ทำอะไรบ้างเป็นประโยชน์ต่อโลกนี้ ไม่มีมันก็เป็นขีพทางขีดวิญญาณไม่ใช่เราจะมานั่งลับหูลหับตาช่วยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีปัญหาไม่แต่เม็ดตินเม็ดชายก้อนหินละกาป่า้าต้ต้นไม้สารลาสิ่งสนุกที่สุดคือคิดถึงความตายที่มีในตัวตนเน่ไดไ้ไม่ปประมาทไม่ได้ประมาท ตื่นขึ้นมาก็อาจจะสั่งลาที่นอนไม่ได้หลงไม่มีอะไรในการนอนเราจะรู้ก่อนเหมือนกับมันดีดขึ้นทันทีไม่อะไรในความนอนเก็บที่นอนหมอนมุกเราอาจจะได้ไอาจจะไม่ได้กลับมานอนอีกไม่ได้ชัว่วโมงก็หน้าทำอะไรก็ไม่ประมาทอยู่กับมิตรกับเพื่อนก็ไม่ประมาท รีบบอกเรีบสอนเพื่อจะได้ไม่เห็นกันอีกต่อไปเวลามันหลงไม่หลงก็ได้นะเวลามันโกรธไม่โกรธก็ได้นะเวลามันทุกข์ไปทุกข์ก็ได้นะให้ได้ยินเอาไว้อยู่กับใครก็จะพูดอย่างนี้ได้ บ, บอกแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ประมาทเวลาจะนอนนก็เก็บสิ่งเก็บของให้เรียบร้อย ที่เป็นของใช้ส่วนตัวถ้านอนไม่ตื่นไม่ลุกอีกตายในขณะที่นอนจะได้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับคนอื่นนอนให้งามๆบางขาบางแขนถ้านุ่งพ้าห่มให้เรียบร้อยให้ท่างามๆและอย่ามีสติจะได้ไม่ตื่นอีกตายขณะที่นอน มันก็สนุกไม่ได้ประมาทมโนนาอนุสติเป็นอนุสติที่เราใช้ชีวิตประจำวันนอกจากนั้นก็มีแผ่เมตตากรุณาตื่นขึ้นมาก็เมตตา่าได้มีเวรมีภัยต่อกันและกันในสรรพสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นชีวิตชีวาชนิดหนึ่งเวลานี้เราใช้ชีวิตแบบหน่อ มู่หมกอุ่นคุณคิดเรื่องอร่อยเคยใช้ชีวิตได้ให้มันเป็นระเบียบเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญามีสติกํากับการใช้ชีวิตจะได้เป็นนิสัยใหม่ขอนิสัยใหม่ได้นิสัยใหม่หม่ได้ชีวิตใหม่ๆ่ต่อยอดใหม่ใม่เคยหลงได้ไม่หลงเคยทุกข์ได้ไม่ทุกข์เคยโกรธได้ไม่โกรธชีวิตของเราไม่ใช่มีวันนี้ชั่วโมงนี้ แล้วชีวิตเราไม่ใช่อยู่คนเดียวร้อยอย่างที่อยู่ด้วยกันนอกจากดินพ้าอากาศก็มีผู้คนสัจฉลาจรเราจะได้ฝึกหัดตัวเองให้ได้ให้มันใช้่ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างเขาดินถาก็ให้มันใช้่ได้ชีวิต ไม่ได้เป็นอะไรกับเนนทาเอาสันเสริญก็ให้ได้ใช้ได้ในชีวิตไม่เป็นไรกับสรรเสริญฝึกผลตนเด้งไม่หวั่นไหวมะเลยง่ายๆกับโลคผู้ฝึกผลตนดีแล้วไม่หวั่นไหวพราอินทาสันเสริญเหมือนภูเขาศิลาทั้งทึบไม่สะเทือนเพราะลมฉันาด ไม่ใช่เราอยู่คนเดียวเหมือทีเรามีลูกมีเมียมีพ่อมีแม่ยังไปทะเลาะกันอยู่ยังบียดเบียนกันอยู่มันทำได้อย่างไรถ้าเรามาดูรีเกงแล้วนะภรราสามีลูกเต้าเหล่าล้านเพื่อนบ้านน่าจะช่วยกันมีอะไรก็ช่วยกัน นี่จะช่วยก็คิดจะช่วยมันก็มีความสุขประเสริของชีวิตชีวิตหนึ่งนะนี่พวกท่านทั้งหลายเป็นนายแพทย์เป็นหมอไม่เป็นอาชีพสัณะนะอาชีพของคนเป็นพระนะอาชีพสัมมนเนี่ยมีแต่จะช่วยคนอื่นหลวงตาไปอยู่โรงพยาบาลสองปีไม่เห็นคนหมอเดินเฉย เห็นพยาบาลเดินเหมือนกับคนทั่วไปเหมือนจะวิ่งเดินตามคุณหมอก็ไม่ทันกหว่ายต้องรีบไปจริงๆนะถ้าไม่รีบไม่ทันนะคุณหมอมาก็หัดกันมาดีจริงๆตอนที่หลงตาใจหายใจไม่ได้หมอขมงตัว ต้องยกต้งย้ายหลวงพ่อไปห้องไอซียูด่วนเหนียวนี้เอาไปมาใส่ปึ๊บปึ๊่งใส่วิ่งไปเลย <laughs> วิ่งจนๆเยๆนะคุณหมอก็เดิจนจนังๆนคนนะย้ายเข้าไปห้องไอซียูเดี๋ยวนี้หลวงพ่อหายใจไม่ได้แล้ววิ่งขึ้นไปห้องชีว์ปึ๊บปึ๊บไปบานยืนเพียบ เพียบหมอยืนเตียงข้างเตียงชูถุงกันมาหลวงพ่อเอหลวงพ่อปายแจ้งในผมเจถุงนี่ปิดปากนะสูดลมเข้านะถ้าสูดไม่ได้ผมโจท้อนี่โอ้ขนาดนี้สอดเข้าไปในปากนะล้วเจอก็จะบาเลยต่อไปอือมัก็ดังของมันเดียว <laughs> ไม่อยากให้มันดังก็ดังนะ หมอกวิ่งเอาถุงมาใส่อปอก็ยังหายใจลงพ่อหายใจหายไกมันได้หอถุงโอ้ยนึงมาใส่ิ่งสื้อลงูลยีช่งหมลุงก็ดังสามชตอนเดี่ยวโทษมาสอดนี่มันไม่มีแล้วหมดแล้วตายไปแล้วสนุกนะ ว่าคิดเล่นๆนล่ละมันหายใจไม่ได้กูไม่ต้องหายใจเลยกูจะอยู่เฉยๆนี่แหละมันคิดมาหลายวันแล้วไม่ได้เรียกร้องผมเื่อเหลืออะไรมีแต่บอกว่าหายใจไม่ได้มีาพาไปแย่ยงกหายใจไม่ได้แต่ยังสนุกอยู่ขึ้นีคิดเล่นๆมันหายใจไม่ได้กูไม่ต้องหายใจมันชีวิตของกูนี่ไม่ไ้อา ไปห้อยไปแขวนไปกับลงหมายใจกูยือยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรนี่แหละยิ่งมักจะพูดว่าไม่เป็นอะไรกับบัลายไม่รู้จะพูดยังไงนนะไม่เป็นอะไรกับบันลายเป็นคําพูดที่มาออกจากรวมรู้สึกจะผิดจะถูกยังไงผู้มีปัญญาทั้งหลายลงไม่ใช่คิดนะสัมผัสเอานะนั้นหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลง มันทุกข์เห็นมันทุกข<อ>์ไม่เป็นผู้ทุกข์ใช่ไหมมันโกรธเห็ม<อ>ันโกรธไม่เป็นผู้โกรธจะเรียกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรได้ไหมเป็นอย่างนี้นะหายใจไม่ได้กูก็ไม่เป็นอะไรกับการหายใจไม่ได้เหมือนเก็บกูก็จะไม่เป็นอะไรกับความเก็บอยาให้พูดยังไงครับนี่นะเลยพูด <laughs> ไม่เป็นอะไรกับอะไรเป็นอย่างนี้นะสมควรเจอเวลาวันนี้นกลับามาพร้อมกัน